อย่าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะถ้าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นี่มันกอดคอกันจมนะเป็นเพื่อนร่วมสุขเวลาสุขฉันสุขด้วยเวลาทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยแต่ฉันจะช่วยให้เธอพ้นทุกข์เห็นไหมพาสามีไปหาหมอพาไปปฏิบัติธรรมเดินตามสายยาต้อยๆก็ดีนะเขื่อว่างได้เลยเดินตามนะแล้วเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมอันเนี้ย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 ขอเสนอธรรมะข้อหนึ่งที่ชื่อว่าสติสามัญญะปฏิบัติที่นี่เจ็ดวันก็จเจริญสติใช่ไหมจเจริญสติปัฏฐานสี่คุณแม่สิริท่านก็สอนเอาไว้การจเจริญสติประฐานสี่ถ้าเรามีสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะเราได้ธรรมะทั้งหมดเลยนะในพระไตรปิฎกสติตัวเดียวสติเนี่ยเป็นคําที่เป็นกุศลเป็นธรรมฝ่ายดี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 บางทีมันเกิด อ, อารมณ์คิ้เกียรติเราก็หยุดเวลาเกิดความขยันเราก็ทกําำแง่ที่ว่าไม่มีสมาธิแล้วเพราะปล่อยให้อารมณ์เนี่ยบังคับเราขี้เกียรติเราก็หยุดขยันเราก็ทําแต่ว่าเราทําตามอารมณ์ถูกไหมนักปฏิบัติเนี่ยขยันก็ต้องทําขี้เกียรติก็ต้องทำํำถ้ายัางทําไม่เสร็จก็ต้องทําการทํางานก็เช่นเดียวกันบางทีงานที่เราทําเนี่ยที่ตามไปมันคีดเกียรติ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 โกรธหงุดหงิดไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวไม่มีใครทาใหเราโกรธไม่มีใครทาใหเราเป็นทุกข์นอกจากใจเรามีความเห็นผิดไปเองเจเราต้องหากเป็นต้นเหตุที่ทำลายใจเราเองเพราะขาดสติคอยคุ้มครองดูแลอยู่เวลาเราติดอารมณ์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนมางทีนอนไม่หลับคุ่นคิดอยู่ในเรื่องแบบนี้เรื่องความทุกข์เรื่องอารมณ์แบบนี้ เรื่องของความโกรธแล้วเราก็เป็นทุกข์เราก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเรื่อติดอารมณ์เนี่ยไม่มีความสุขนะกินข้าวก็ไม่อร่อยดูหนังก็ไม่สนุกมองอะไรมันก็ไม่มีความสุขถ้าเราปติอารมณ์แบบเนี้ยแล้วไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะคนรอบตัวเราพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะเราโกรธอยู่คนเดียวเนี่ยมุกินอยู่คนเดียวอขาเรกว่าอะไร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 ไวต่ออารมณ์แต่ไม่ไหวตามคนที่ขาดสติขาดสมาธินี่ไวต่ออารมณ์มากแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์เลยแั่นเป็นเพะขาดสติถ้าไม่สติแล้วเนี่ยจะไวแต่ไม่ไหวตามรักษาจิตที่เป็นปกติได้จิตที่เป็นปกตินี่ไม่ทุกนะจิตผิดปกติเนี่ยมีโอกาสเป็นทุกข์ได้จิตปกติคือจิตที่เป็นกลางกลงตั้งมัน่นรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่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 อาจจะเปลี่ยนไม่มากอย่างที่เราต้องการก็ได้อาจจะไม่ถูกใจอย่างที่เราต้องการก็ได้ถ้าเรามีความต้องการมากการเปลี่ยนจะเปลี่ยนโดยไม่มากอย่างที่เราคิดแต่เปลี่ยนก็นแล้วกันนะรับรองได้ไเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรามีสติมากขึ้นกว่าเก่าใจเรามั่นคงขึ้นสงบ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 เราต้องมีที่พึ่งถ้าขาดที่พึ่งเนี่ยเหมือนคนอนาถาและใครจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยอนุสบการของผมเนี่ยพวกเองก็เมื่อก่อนก็ไม่มีที่พึ่งเนี่ยก่อนที่จะมีชีวิตทิการเนี่ยผมไม่มีที่พึ่งภายในที่พึ่งนอกก็มีมากมายสภาพร่างกายทิพยการอย่างนนเนี้ยจนปัจจุบันเนี่ยก็เข้าปีที่สามสิบละ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 ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ร่างกายก็พิการแล้วใจมันก็คิดคลุ่นคิดหมกบุ้นเยในความคิดคิดคิดดับเบิลคิดเป็นทุกแบบทุกซ้อนทุกโอ้ทุกมากเลยมันจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงนึกอะไรไม่ออกแต่คิดให้เป็นทุกในะคิดออกหมกบุ้นมากเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นเนี้ย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 มองตัวเองเนี่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามันเรื่องทำงานกับตัวเองดีเนี่ยมันขาดที่พึ่งภายในไม่มีธรรมะเนี่ยสภาพทนเนี้ยอยู่ไม่ได้อย่างไรใช่ไหมแต่เขาโชคดีที่ว่าหัวาสัยกา ร, รยนานมิตรมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกา ร, รยนานมิตรพ่อแม่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะเอาสิ่งอื่นมาให้ลูกอบายามุขบ้าง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 เข้าถึงธรรมะกับการเข้าใจธรรมะเข้าใจเพียงแค่อยู่นอกๆแต่เข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงจิตถึงใจเลยแค่อา่านแค่ฟังเนี่ยยังไม่เพียงพอหรอกมันต้องมีการปฏิบัตินอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อ น, นำธรรมะเข้าสู่จิตใจเราก็สายยานขนส่งคือการจารสตินี่แหละเจริญสติจารสติในแนวหลวเทียนท่านก็มรณภาพไปแล้ว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 แต่เราไม่ยอมท้อแท้แต่อปรสรกรมันต้องขอลองดูก่อนล้วเดินจงกรมไม่ได้เราก็ใช้จงกรมมือเห็นจงกรมมือหมห <c ười> ลวงพ่อมิ้นทนกสอนว่าให้นอนพลิกมือเล่นแตก็รู้สึกตัวพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวฮะพลิกมือหงายให้รู้สึกพกลกกพิกมือความให้รู้สึกพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือความให้รู้สึกให้รู้ใจ ไม่ต้องบริการอะไรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดอะไรใช้ความรู้สึกตัวล้วนๆรู้ซื่อๆอย่างนี้แหละพลิกมือรู้สึกตัวมันต่างกับการก้าวเท้าแล้วรู้สึกตรงไหนเหมือนไหมเปลียจากเท้าเป็นมือมือจงกลมมือทำมือขวารู้สึกความหมรู้สึกมันเมื่อก็เปลี่ยนมือซ้ายบ้างอียาบทมันจํากัด การเคลื่อนไหวก็มีได้น้อยเพราะมีแค่ศรีรษะกับผลไหลเท่านั้นที่เคลื่อนไหวได้นั้นเคลื่อนไหวเองไม่ได้ก็มีอยู่แค่นี้ยชีวิตก็ทําอยู่เงี้ยมือขวาม้างมือซ้ายม้างวันละหกเจ็ดชั่วโมงนะไม่มีงานอะไรทําไม่มีงานทําทําแต่ความรู้สึกตัวเลยละเป็นงานทางด้านจิตใจหกเจ็ดชั่วโมงมือขวาม้างมือซ้ายม้างเดินจงกลมหนึ่งชั่วโมงเมื่อยไหม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 เวลาหายเมื่อยก็ทําต่อไปมันนอนไม่หลับแล้วมันปวด <c oughs> แกใ่ใจแก่ขวเนี่ปวดหมดเลยนอนไม่หลับมันทีต้องนอนตั้งมือแบบเนี้ยนะตั้งมือแล้วก็หลับนอนตั้งมือเนี่ยตื่มาที่มือยังตั้งเลยนี่เลยนะมันปวดมากวางตรงนี้มันก็ไม่สะดวกวางนี่เสบวกมันปวดเลยตั้งแต่โดยตรงกลมเมื่อยขาในี่ละนอนทำไงนอนยกขาไม่ได้นะมันปวดมันเมื่อยก็ต้องอดทนนราเนี่ยผมทำอยู่อย่างนี้อนะ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 คือการมีสติตามรู้กายพอ ร, รู้กายานานๆจิตมันตื่นมันตื่นรู้ไปเห็นสวะเอียดของกายคือเห็นจิตหินใจที่มันปรุงมันแต่งมันคิดพอทำต่อเรื่องนานๆเนี่ยเข้าใจเรื่องของกายโอ้ร่างกายนีย่มันเป็นรูปมันบอกว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายนีย่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เมื่อกี้เนี่ยเราหิวข้าว เราทานข้าวไปหิวข้าวเป็นทุกข์ด้วยเป็นสุขเวราเดี๋ยวจะได้กินอีกหิวสุดีจะได้กินก่อนจะเป็นสุขเนะี่ยมนเป็นทุกข์ก่อนเราแก้ทุกข์จากการหิวแล้วไปกินอิ่มแล้วเราก็ว่าสุขทีจริงไม่ได้สุขละทุกข์มันหายไปเราเป็นการแก้ทุกข์ทุกเกิดจากความหิวพอทานอาหารไปแล้วหนึ่งชามทุกข์มันหาย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 แยกรูปแยกน้ําเลยจิตคือผู้ดูแลเป็นน้ำกายที่มันทุกขนะ์นั้นเป็นรูปนะออกจากความทุกข์ได้ทั้งร่างกายทุกของกายนี่ไม่เท่าไหร่นะยังพอจะแบ่งแยกได้แต่ทุกของจิตที่มันคิดปรุงแตง่งเนี่ยไอ้ขวับิการเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจิตมันคิด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 เดี๋มันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปตามกานแตจิตใจเนี่สามารถพัฒนาได้พัฒนาสูงสุดจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นจากปัญหาทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่มีร่างกายพิการไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจไิตติเรลเลยเนะี่ยเจ้าหัวละเยาะความพิการหัวละเยาะความทุกข์ขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์ที่ทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้จักได้มาปฏิบัติธรรมได้มาทําประโยชน์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 กระดดน้ำลงไปปุ๊บคอหักอืดอยู่ในสระแวดนะ้ำ <c oughs> มันจะไม่มีโอกาสได้ทําประโยชน์เลยดีแล้วที่มันหักไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังเหลือใช้ประโยชน์ได้ต้องขอบคุณจุที่มันยังเหลือให้เราก็ไม่ได้ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยไปเบียดเบียนใครแม้เหลือน้อยเราก็มาทําประโยชน์ได้มาพัฒนาจิตเราและช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไหะ เราสามารถใช้รูปนามขันธ์ห้าที่คุณพ่อคุณแม่อุตสาห์สร้างให้เราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดพ่อแม่ก็ได้บุญถ้าเราไปทำชั่วทาให้ดีเนี่ยเราเองก็บาปท่านก็พลอยที่จะบาปไปด้วยแต่ถ้าไม่บาปเลยนะเราคิดเองเราเองน่หละเป็นผู้ที่บาปเพราะนั้นจติทธรรมเนี่ยมีมากกับผมนะมีมากกับผมทุกอย่างถ้าเราไม่ท้อแท้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 ตอนที่ความทุกข์มันยังน้อยปัญหาชีวิตมันน้อยเราสามารถปฏิบัติได้ดีเตรียมเอาไว้พราะชีวิตขั้นล่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้นะเตรียมเอาไว้ก่อนอย่ารอจนกว่านอแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วถ้ากระพิบตายอย่างเดียวสายสิตาล็อกดกอยู่ในห้องไอซียเนี่ยมันจะปฏิบัติ ท, ทําไม่ได้ตอนนั้นมันจะสายเกินไปแล้ว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 อันนั้นมีปวะโยก็ไปปฏิบัติดู